เวลามันหลงความไม่หลงก็มีเวลามันทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีเวลามันโกรธความไม่โกรธก็มีอะไรต่างๆมีอยู่ให้มีดวงใจแบบไี่บ้างตรงกันข้ามเมื่อมีแจ่ก็มีไม่แจ่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายอยู่อย่าพลาดตรงนี้ทังเที่ยวาสวดชาดุกสังขารท้ยเที่ยง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 ว่ากำลังสารกระติบตข้าวอยู่เดียวปืนจากข้างล่างจอดมองใส่ไว้เดียวปืนขึ้นใส่ผู้ใส่พ่อของตัวเงพ่อก็เพียงเอาเ่ามือไว้อย่ายิงอย่ายิงลูกชายก็่าฝังยิงแต่ลุกมือถูกหน้าผาของพ่อล้มตายลงเห็นพ่อตายเ้าจึง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 การทำที่จุดแต่งกองทุกนี้ควรจะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าโทยยอุปทานนักขันทั้งห้าเป็นตัวทุกคืออะไรว่าโทยยอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกได้แจออะไรบ้างได้แจสิ่งเหล่านี้คือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงได้ยินไหมความไม่เที่ยงอันเป็นทุก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 เรีว่านามโลกลูกทุกนามทุกทุกของลูกมีมากมายอจะให้ทุกเป็นทุกให้ทุกเป็นปัญญาทุกของนามมีมากมายเพราะเรามาเห็นแย้งไม่วิปัปชนาเห็นเปยนเพียงอาการไม่ใช่ทุกเป็นอาการที่เกิดกับรูปเปรอาการที่เกิดกับนามเราจักจแยก รูปจากนามรูปจากแลียงรูปนามออกจากกันความทุกข์ของรูปจะเอามาประทุกข์ของนามถ้าเราไม่รูปไม่ศึกษารูปเบียเ่ยงเบนนามนามเบียเ่ยงเบนรูปหมายถึงกายเบียเ่ยงเบนใจใจเบียเ่ยงเบนกายหูวเข้าใจเป็นทุกข์เปิดท้องใจเป็นทุกข์ถ้าใจโกรธกายเป็นทุกข์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 ให้ลูกเข้าไปเลยในกายไปเลยจะเอาพุทธโธมาเป็นภาวนาจะเอายกหนอพองหนอมาเป็นภาวนาจะเอาสมมาละหังมาเป็นภาวนาบริกรรมอยากให้มีมาขวางกั้นให้ตัวลูกเข้าถึงกายตาลูกถึงกายจะลูกถึงใจนั่นเรียว่าภาวนาแล้วอะไรรู้ไปหมดเวลามันชิดก็รู้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 เห็นวันทุกข์เก็นันโกรธเหนวันแช่เจ็บตา ย, เ, ย, เ, ยเลยต้องไม่เป็นอะไรหลวงพ่อเทียนนี่คนถามอ่ะที่บายไม่เข้าใจค่ะว่าหลวงพ่อเทียนทูดว่าเครือกขะดหมายถึงอะไรจะเป็นคําพูดไม่ได้เรื่องนี้เป็นประมตทสัจจะถ้าพูดก็สมมติมาพูดไม่คนจะแปลหลังสือหลวงพ่อเทียนจากภาษาไทยเป็นภาษากีน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 ถ้าสุขเห็นมันสุกมันโหดตัวสู่ธรรมชาติอต่ไม่เห็นเห็นมันสุกเนี่ยมันอิสระอิสฉามากถ้าเป็นผู้สุกกล่อมมาเป็นสุขอิสระเห็นมันสุขห่อนลำกว่าใช <laughs> ่ไหมไม่ไปอิสระใหญ่เนี่ยไม่เป็ด น, น้นองตาเลยพูดแบบภาษาลองตาไม่เป็นผู้สุขง่ายเป็นผู้ทุก